อนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัยขอกาดพระอาจารย์ภัศาลพระเถรานุเถระเพื่อนรุ่นไมุู่กท่าน <c oughs> จเจริญธรรมไม่ชีระยะที่ทำถุกท่านาก็เหลืออีกสองวันก็จะออกพรรษาแล้วเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าถ้าคนที่อยู่แล้วมีความสุขก ร, ร, รู้สึกว่ามันก็เร็วนะแต่ถ้าอยู่ด้วยความทุกข์มันจะรู้สึกว่ามันช้า ร <c oughs> าวะการที่เราอยู่ <c oughs> ด้วยความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรใ น, ในช่วงที่เรา <c oughs> ได้อยู่วัดเป็นเวลาสามเดือนนะถ้าจิตใจเร า, ารู้สึกมีความสุขในการปฏิบัติธรรมต่างๆก็รู้สึกว่ามันก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็วการปฏิบัติธรรมนั้นก็กจะ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจการเห็นธรรมในระดับหนึ่งนะและความที่เราเห็นนั่นแหล ะ, ะก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่ไปยึดติดในสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะการที่เราไปยึดติดในสิ่งใดเราก็จะทุกข์ในสิ่งนั้ น, นเราผูกพันกับใครเราก็ทุกข์ในคนนั้น เรารักใครเราก็ทุกในคนนั้นเราเกลียดใครเราก็ทุกในคนนั้นนะทุกอย่างความทุกเกิดจากใจของเราทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เกิดจากผู้อื่นมาทําให้กับเรานะถึงแม้ใครจะมาทําไม่ดีกับเรา <c oughs> ถ้าเราไม่ไปยึดติดไม่ไปให้ค่าเราก็ไม่ทุกในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นความทุกจริงๆแล้วเกิดจากการที่ใจของเราเท่านั้นเองนะว่าไปยึดติดกับอะไรยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อย อย่างที่มีคํากล่าวว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะวางทุกจางเพราะคลายทุกตายเพราะปล่อยนะนีสภาวะที่มันยึดนี่แหละมันก็จะนําให้เรามีความทุกข์ไม่มีที่ทสิ้นสุดนะเพราะความยึดนั้นเป็นอุปทานนะอุปทานแล้วก็นําให้อาจารย์อุทานก็ไปเกิดเป็นภพเป็นชาติ จะเป็นชรลามรณะเป็นพบเป็นชาติก็คือถ้าหากว่าเราอจากความตายนั้นนะแล้วเราอยากไปยึดอยู่มันก็นำให้เราไปเกิดใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะตรงนี้มันเป็นสภาวะที่มัน <c oughs> เวียนว่ายตายเกิดที่น่ากลัวนะเพราะเรายังไม่หลุดพ้นก็เพราะความที่เราไปยึดนั่นแหละมันเป็นวัฏานไปนะความยึดเกิดจากตัณหาเนี่ยแหละ เกิ อ, อุปทานเกิพบเกิดชา ต, ตามมานะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดออุปทานก็คือละาการยึดนั่นเองนะไปปฏิธรรมแล้วเราก็ต้องมีการปล่อยการวางการคลายออก <c oughs> จากความยึดติดใน <c oughs> สิ่งต่างๆนี่ให้ได้นะถ้าเราปล่อยไม่ได้แล้วนะจิตมันก็กลายเป็นไปยึดมันก็กลายเป็นกินเลสในใจเราเพราะมันคือตัณหานั่นเองนะมันต้องปล่อย และการปล่อยมันต้องปล่อยทันทีนะไม่ได้ไปปล่อยตอนไหนถ้าก่อนตายมันปล่อยไม่ได้นี่มันน่ากลัวมันที่อาจารย์เบสารได้เล่าเมื่อาวานตอนเย็นนะที่มแม่ีแมชีก็พบในทังสักภาชพาว่ามีมดตายอยู่ตัวเดียวตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีกรรมอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเจตนาทั้งสิ้นแต่จิตก็ไปยึดเอาไว้ ในความที่ว่าเราศีลไม่ดีศีลบกพร่องจิตก็เศร้าหมองะจากการไปยึดนั่นแหละก็เลยไปสู่ใบภูมิเลยนะตรงนี้อก็จากจิตที่เขายึดเอาไว้ทแท้ๆเลยทั้งท่านี้ก็ปฏิบัติธรรมมารักษาศีลศามาตลอดชีวิตแต่ว่าจิตไปยึดตรงนั้นปั๊บเนี่ยไปสู่ใบภูมิเลยนะตรงนี้มันน่ากลัวหรือเหมือนที่ม่นางมริกาเทวี <c oughs> ก็จริงๆก็ทําบุญไว้เยอะนะ ทำบุญกับพุทธเจ้าด้วยแต่ก่อนตายก็ไปนึกถึงกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะแล้วก็อ่าจริงๆแล้วตรงนั้นก็วางเนยแล้วแหละแต่ก็ไม่นึกถึงบ้างตัวเองก็เคยอโกหกอ่พระสวามีไว้ในตรงจุดที่ว่าไปทํากรรมนั้นไว้นะจิตก็ไปประวัติในตรงนั้นก็ไปสู่อบายภูมิเลยนะตรงนี้มันจิตก็ไปยึดเอาไว้เนี่ยเพราะมันปล่อยไม่ได้ ตรงนี้เพื่อมาสมกที่พระเจ้าได้ทรงตรัสว่าจิตเตสังหรเททุกติปาตเองขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกติปันนันวังได้จิตเศร้ามองก็คือจิตไปยึดอะไรไว้นั่นเองนะโดยพาะไปยึดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีที่ทําให้จิตเศร้ามองไม่ไว่าจะเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นความผิดพลาด ต, ต่างๆที่ตัวเองทำเอาไว้จิตเศร้ามองปั๊บก็ไปสู่อบายภูมิะอบายภูมิก็ ม, เ ม, เมีเป็นเปรตสุรกายสัตว์นรก ปากเตะฉานนะตรงนี้มันจึงน่ากลัวนะเพราะว่าอย่างพวกเราบางทีก็เคยทำบุญนะปฏิบัติธรรมมาตั้งเยอะแต่ถ้าก่อนตายนะจิตเราไปยึดอะไรถ้าไปในทางที่ไม่ดีมันจะเศร้าหมองทันทีเลยนะแล้วมันก็ไปสู่ใบภูมิก่อนทั้งๆนี่ทาบุญอะไรปฏิบัติธรรมอะไรมนต้องเยอะแยะนะตรงนี้มันจึงว่าเรารู้เท่าทันไหมนะที่จะไม่ไปยึดมัน เปรียบเสมือนกับว่าในอคอกมีวัวอยู่เยอะเลยนะวัวก็มีประเภทต่างๆสีต่างๆเยอะแย ะ, ยะอาจจะมีสีดาสีขาวสีน้ำตาลวัวดีวัวชั่วเยอะแยะนะแต่ว่าตอนที่เปิดปากอคอกนั่นแหละวัวตัวไหนที่อยู่หน้าประตูอคอกก็จะได้ออกจากประตูนั้นก่อนนะ พันวัวตัวนั้นถ้าเป็นสีน้ำตาลก็คือเสมียตาลออกก่อนทั้งทั้งที่บางทีสีขาวดำก็มีเยอะกว่าแต่เมื่อเสมียตาลอยู่หน้าปากคอก็ได้ออกก่อนนะชั้นใดชั้นนั้น <c oughs> ก่อนตายก็เหมือนกันนะในเราจะทำดีไม่ต้องเยอะแยะมีวัวสีขาวดำเยอะแยะแต่ที่หน้าประตูตรงที่เราจะจุติตายไปนั่นแหละมีอกุศลกรรมในตรงนั้นที่เรา ไปให้ค่าในตรงนั้นก็ไปเปลี่ยนภพภูมิใหม่นะก็ไปสู่ใบภูมิในทันทีเพราะว่าอักุนรกรรมตัวนั้นให้ผลในขณะนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจิตมันจะต้องวางให้เร็วไม่ใช่ไปรอวางก่อนตายนะหรือวางในอนาคตการมีทุกตรงไหนนั่นแหละคือความยึด ต, ติดแล้วนะต้องวางให้ได้เร็วๆถ้าวางไม่ได้เร็วก็ไปเวียนว่ายตายเกิดรับผลโดยชา้ชามไม่ท่วง น, นะหรืออย่างในสมัยพุทธกาล ก็ยังมีนะก็มีพระที่ว่าได้จีวรใหม่มาเป็นพระที่ตัวเองกอ็มีความดีใจกำลังเหอ่อที่ได้ของใหม่มาจิตก็เลยไปผูกพันไปยึดติดแต่ว่าก็เกิดตายกระทันหันจากจิตที่ไปยึดติดผูกพันนั่นแหละทั้งทั้งนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอาคุรกรรมอะไรที่ร้ายแรงเลยเลยก็ยังต้งไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั้นเป็นเวลาเจ็ดวัน พระพุทธเจ้าบอกว่าในระยะเจ็ดวันนี้พระอย่าไปยุ่งกับจีวร น, นั้นเพราะถ้าไปยุ่งแล้วเนี่ยเลนที่เป็นพระเก่านั่นแหละหวงอยู่นะเลนก็จะเกิดไม่ไม่พอใจเกิดเป็นโทสะถ้าตายแล้วก็ต้องไปลงนรกอีกนะเพราะนั้นไม่ให้พระไปยุ่ง <c oughs> แต่ว่ามีชีวิตอยู่ได้เจดวันก็ตอนนั้นก็หายตายไปไปเกิดในภพภูมิใหม่นะ หรือในสมัยพุทธกาลหนี่เหมือนกันนะสมัยหนึ่งมุขพเจ้าก็ได้เดินบินตำปาดไปในหมู่บ้าน <c oughs> พอดีไปผ่านบ้านเศรษฐีนี่ยพอดีตอนนั้นเศรษฐีก็ตายไปแล้วก็ไปพบลูกชายเศรษฐีแล้วก็ทรงย้ำสวนนะพระนนท์ก็สังเกตว่าพระเจ้าทรงย้ำสวนก็คือทรงยิ้มเล็กน้อยนะครนนั้นพอกลับไปถึงที่วัดก็ถามพระเจ้าว่าเหตุใดจึง ท, ทรงย้ำสวน พระพุทธเจ้าบอกว่าเศรษฐีเจ้าของบ้านนั่นแหละอตายไปแล้วก็ได้เกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั่นเองพอข่าวนี้ <c oughs> แพร่หลายไปนะก็ได้ยินไปถึงหูของลูกชายเศรษฐีลูกชายเศรษฐีก็ไม่พอใจมาว่าบิดาตัวเองไปเกิดอมาเป็นสุนลูกสุนัขได้อย่างไรนะก็มามาต่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะลองพิสูจน์ดูไหม เดี๋ยวเธอกลับไปที่บ้านนะก็เรียกลูกสุนักนั้นมาแล้วก็อาบน้ำให้เขายัางดีนะเอาอาหารอย่างดีให้เขาทานแล้วก็บอกว่าพ่อพ่อพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนพาลูกไปขุดหาด้วยตกลงทำตามนี้ได้ไหมลูกชายสศรษีก็รับปากว่าทำได้หลังจากที่ทาแล้ว ก, ก็ปรากฏว่าลูกสุนัขนั้นก็ดีใจนะก็พาไปหาที่ขุดสมบัติ นะก็เอาเท้าตะกุยตะกุยลูกชายเศรษฐีก็ให้บริวารเอาจอบเสียมขุดก็เจอสมบัติจริงๆนะหลังนั้นก็เลยไปขอโทษพระเจ้าที่ว่าได้ เ, เคยเมีความเข้าใจผิดนะอันนี้ก็เพราะเหตุว่าเศรษฐีนั้นนะตอนสมัยก่อนก็ได้ฝังสมบัติไว้ในบ้านนะการฝังสมัยนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีธนาคารนะเวลาโจบท้นก็ อาจจะได้ไม่รู้ว่าสมบัติฝั่งที่ไหนแต่เมื่อฝั่งแล้วก็ยังไม่ทันบอกลูกชายก็ตายเสียก่อนจิตก็มีความยึดมั่นในสมบัตินั้นนะก็เลยกลับมาเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านนั่นแหละของตัวเองนะนะอันนี้เป็นพระจิตก็มีความยึดมั่นมีความผูกพันในสมบัตินั้นนะก็ต้องกลับมา เ, าเวียนว้ายตายเกิดในบ้านของตัวเองนะ บางทีอ่าก็มีคนโบราณเก่าๆบอกบว่าระวังนะตุ๊กแกในบ้านอหรือรูปสุนัขในบ้านอะไรต่างๆจริ้งจบอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ได้เนะาะเพราะเราก็ต้องระวังนะบางทีเราก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำไํำลายเขานะตุ๊กแกจริงจบอะไรเนี่ยทำไมก่อนแม้แต่ทุกวันนี้ที่กุทำมาก็ตุ๊กแกเยอะๆไม่อยากไปยุ่งเลยรเขาแล้วก็ไม่เป็นญาอะไรก็เราหรอกแต่ก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเนาะ นะต่างคนต่างอยู่ตุกแกก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปบางทีก็ทําความําคาญใด้บ้างขี้อะไรลงมาบ้างบางทีก็ร้องเสียงดังบ้างก็ไม่เป็นไรนะอยู่ของเขาไปนะทุกแกนี่จริงๆก็เคยช่วยอาตมาไว้คร้างหน่งยนะสมัยก่อนนะอยู่กุดสิบสามบนเขานะเป็นกุดกุดเก่าที่โดนรื้อไปแล้วนะก็ปรากฏว่าอ่านะประตูกุดนี่มันรอยมากเลยนะเรียกว่าตัวเลยก็เข้าได้หมด ครันนี้นอนอยู่คืนนึงก็ประมาณตีสองได้ยินเสียงตังบางปังบางป ง, งดังมากเลยก็สงสัยว่าเสียงอะไรเนาะตีสองนี่มันมันน่ายังไม่ใช่เสียงคนมาทํานะใครจะมาทําอะไรตอนตีสองมาตีมาเคาะกุดตอนตีสองเสียงดังมากก็เลยออกไปดูไปฉายสองดูกระเป๋าตุ๊กแกอคาบอ่ตะขาบยาวประมาณอสิบนิ้วห้อยอยู่ที่ที่ปากงั้นก็เลยประเมินสันนิษฐานว่าโอ้ มีแสดงว่าตะขาบมันคงจะขึ้นมาบนกุจนี่แหละคันที่ตุ๊กแกพยจํามกุดมันคงจะเห็นมันก็เลยอาไปกัดนะตะขาบแล้วไปฟาดกับผนังห้องนั่นเองนะมันก็เลยเสียงดังนะก็เลยนึกเออตุ๊กแกนี่ก็มีประโยชน์กับเรานะเราก็ไม่ได้ไล่อะไรมันมันก็เข้าเข้าออกอห้องอย่เป็นประจานั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้มาขี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะเออจริงๆมันก็สัตถึงตายมันก็มีประโยชน์กับเราเนะเนี่ยก็ตรงเนี้ยบางทีอ่าความยึดมั่นผูกพัน ยึดติดอะไรก็แล้วแต่มันก็นําให้เราไปเกิดเป็นสิ่งนั้นนะเราผูกพันในความโกรธผูกพันก็หมายความว่าเราเป็นคนชอบโกรธบ่อยๆนะก็คือเราเราไม่รู้มันไม่ดีก็บางทีก็ชอบโกรธบ่อยความโกรธนะท่านกล่าวว่านําให้ไปสู่ในนรกได้ออันนี้มันน่ากลัวนะสมัยก่อนก็มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้นี่ก็เป็นคนดีปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยอทําบุญไว้เยอะทันนี้ปรากฏว่าก็ มีมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าถูกฆ่าตายนะติตก็รู้สึกตายด้วยความโกรดนั่นแหละก็ก็เป็นห่วงนะว่าคงจะไปสู่ใบยภูมิแน่นอนนะอันนี้อก็ช่วยกันทําบุญนะแม่เขาก็ทําบุญไว้เยอะเลยเพื่อให้ออกจากใบพุ่มไม่ได้นะต่อหลังแม่ก็ไปถามพระดูเขบอกว่าเออทั้งทั้งที่พาะก็ไม่รู้เรื่องเรากวไปสู่ใบพุ่มนั่นแหละนะก็เลยเอนี่ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าบางทีอไม่ไม่ว่าใครจะมาทํำร้ายเรา อ่าต่างๆนะอเราก็อย่าไปผูกพันอาคาดเขาดีสุดเลยจิตปล่อยวางเดี๋ยวนั้นเลยตายก็ตายเดี๋ยวนั้นเลยให้อภัยก็ไปเลยอ่าตรงนี้จะทําทให้เราไม่มีความโกรธที่ไปสู่ใบภูมิสู่นรกอันนี้มันขัดทูนเยอะยนะขัดทุนมหาศาลนะบางทีแม่แม่พุทธเจา้าก็ยังบอกว่าอ่าต่อให้มีโจรมาเลื่อยเอาไว้ว่าน้อยใหญ่ของเราอ่าเป็นท่อน ถ้าผู้ใดโกรธก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของเรานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจจะได้ไม่ไปผูกพันกับใครนะใครทําเราก็ถือว่าเป็นวิบากก็แล้วกันนะให้อภัยทานก็ไป็นเถอดดีที่สุดมันต้องตัดให้ได้เดี๋ยวนั้นนะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวนั้นทุกข์ก็ล่นนั่นแหละมันจะนําไปสู่ประทานอุปัติานก็นำให้เกิดพบเกิดชาติต่อไปนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอนะก็มีสมัยหนึ่งก็มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่นะ เพื่อนเพื่อนคนนี้เขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีปัญหาขัดแย้งก็อยู่เป็นประจำนะแล้วก็ไม่พอใจกันนะแต่มาในตอนหลังก็เริ่มที่จะอนะกลับมาดีกันอย่างเก่าแต่ดูแล้วก็ยังไม่สนิทสนมกันเหมือนก็มีอะไร ข, ขวางๆอยู่นะครั้นี้เพื่อนคนนี้ก็ก็มาหาบอกว่านะเขาให้อภัยเพื่อ น, นคนนึงไปแล้วละ่ะให้อภัยหมดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ติดใจอะไรก็แล้วทุกวันนี้เขาก็ดีกับเขาแล้ว แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆเพื่อนคนนี้ทําไม่ดีเขายังไงนะจําได้หมดทุกเหตุการณ์เลยวันไหนอะไรจําได้หมดก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมจําแม่นขนาดเนี่ยขนาดตัวคนทําอย่างนั้นก็คงจะจําไม่ได้เยอะไม่ได้แม่นขนาดนี้หรอกแต่เราจำํำในทุกอย่างเลยเนาะเนี่ยถ้าเราให้พยายานจริงๆมันต้องลืมให้หมดเลยสิ่งต่างเขาทําไม่ดีอะไรก็เราไว้ต้องลืมให้หมดนะะต้องลบไปจากความจําไปเลยจึงจะเป็นการให้พยายานที่แท้จริงนะ เขาฟังก็เลยเข้าใจนะก็มันต้องลืมให้หมดนะคนทําไม่ดีอะไรกับเราไปต้องลืมให้หมดเลยนั่นแหละคือการให้ไัยทายนนี่แท้จริงไม่ใช่เราไปคอยนึกเออเขาทําไม่ดีอะไรกับเราไว้คอยจําไว้นี่มันไม่ใช่การให้ไัยทานเลยเป็นการให้ไัยทานแบบปากเท่านั้นเองนะแต่ใจก็ยังผูกอาฆาตเพยาบาทเอาไว้นการผูกอาฆาตเพยาบาทมนะันก็คือความอยึดมั่นถือมั่นคือความยึดนั่นเองนะอันนี้ถ้าจิตอ่า ขอนตายไปจับในความที่เรายังยึดมั่นอาฆาตผัยบาทอยู่ก็เป็นอุปโสรกรรมอุปโสรจิตก็นำให้เราไปสู่ใบภูมิได้พนะันกรรมทุกอย่างก็ต้องวางให้หมดนะให้หมดให้สิ้นโดยเพราะอาจินกรรมทั้งหลายแหละที่ทำให้ไม่จำนะนะนะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงใดๆต่างๆเหล่านี้ก็ดีนะนะ ความโลภทังว่านําให้เราไปเกิดเป็นเศษนะความหลงก็ไปเกิดเป็นปัดใานความโกรธก็ไปนําให้เกิดเป็นปัจฉลกเอี่ยเพราะนั่นสิ่งเหล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องวางให้ได้ความโลภความโกรธความหลงวางให้หมดเลยเะโดยวเพราะสิ่งที่เป็นความยึดมั่นที่ยิ่งใหญ่ก็คืออ่าความยึดมั่นในตัวตนของเราเนี่แหละว่าเป็นตัวของเราเป็นอ่าเป็นตัวของเรายึดว่าขันท่าเป็นของเรานะ พันห้าก็คือกายและใจว่าเป็นของเรานะเมื่อเรายึดจะเป็นของเราแล้วเนี่ยเราก็มีความผูกพันนะ่เพราะนั้นเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนนะะใครที่ยึดมั่นว่าร่างกายขันห้าคือกายและใจเป็นของเราแล้วก็ไปเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนเพราะว่ามันยังมีอุปทานอยู่อุปทานไม่มเห็นนันเกิดพบเกิดชาติต่อไปนะ ตอนการที่เรามาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยคือกลับมารู้ความจริงนั่นเองนะว่าขันห้ากายใจนี้มันไม่ตัวไม่ตนของเรานะพอเราเข้าใจเข้าจริงๆแล้วนะเขาจะค่อยๆวางไปเองเหรอการวางมันเกิดจากการที่เราเข้าใจด้วยนะเราไปบัตรธรรื่เกิดความเข้าใจในตรงนี้ว่าเขาไม่ใช่ขงเรานะ เขาเข้าใจไปเล็กๆน้อยเขาก็เขาเคยวางไปเล็กไปน้อยเขาเข้าใจเยอะเขาก็วางเยอะเขาเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเขาวางได้ทั้งหมดเลยนะมันวางได้หมดเลยอย่างที่ว่านี่โลกก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้แจ้งนะก็คือตรงนี้นั่นแหละการที่เราไปยึดมั่นอะไรก็แล้วแต่ะมันเกิดจากการที่เราไม่ปล่อยวางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ยึดมั่นถึงมันก็คือการเราต้องปล่อยวางการปล่อยวางนี่เป็นเหตุ เก้งการคลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงอย่างที่หลมงพ่อคำเขียนนะก็มีเขียนเอาไว้ในช่วง ท, ท่านป่ยบอกว่าการปล่อยวางเสมือนแม่น้ําเจ้าพญาแม่น้ํำสายเล็กสายใหญ่่ทองทั้งหลายก็ไหลรวมลงสู่แม่น้ําเจ้าพญาเจ้าพญาย่อมไหลลงสู่ทะเลเจ้าพญาย่อมนําน้ําทั้งหมดลงสู่ทะเลได้ทั้งหมดเลย นะการปล่อยวางยิ่งใหญ่เสมือนแม่น้ําเจ้าพญาคําว่าแม่น้ำเจ้าพญานี่คือแม่น้ําสายใหญ่นะมันจะรวมแม่น้ําสายเล็กๆคือแม่น้ํำปิงวางยมนานยแล้วแม่น้ําสายเล็กๆต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นสายเล็กจริงๆเป็นสายใหญ่อยู่แล้วนะก็มีลําคลองเล็กลําคลองน้อยก็ไหลามาสู่แม่น้ำเล็กๆ น้ำเล็กๆก็มารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะซึ่งแม่น้ําเจ้าพยานี่ใหญ่มากนะก็นําน้ําทั้งหมดออกสู่ทะเลได้ฉันใดนะที่เหลทั้งหลายก็เปลี่ยนเส ม, มือนกับน้ําเล็กๆน้อยๆทั้มดนันแหลงก็ออกสู่ทะเล ก, ก็คือออกสู่ความพ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนะก็เกิดจากการที่ว่าการปล่อยวางนั่นเองนะคือแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ยึดติดนั่นแหละการแก้กันไม่ยึดติด ก, ก็คือการปล่อยกันวาง การปล่อยกันวางก็คือปล่อยปล่อยให้ได้ได้ไหมนะเราปล่อยได้มากแล้วก็ออยจาความทุกข์ได้เร็วปล่อยน้อยแล้วก็ออกจากความทุกข์กออกกกได้น้อยปล่อยหมดแล้วก็หมดความทุกข์เลยนะเพราะฉะใ น, ในความที่เราชีพประจําวันเราก็ต้องสังเกตดูว่าเออเราไปยึดติดอะไรไหมมีความยึดติดคิดมั่นอะไรอยู่ไหมนะตรงนี้ต้องสังเกตให้ไวนะโดยพระคนที่เป็นฆราวาสนี่แหละ บางที่ไปยึดติดง่ายที่สุดเลยโดยเราไม่รู้นะอ่ายึดติดในละครก็มีนะอ่ายิดติดในกีฬาอ่ายึดติดในสิ่งต่างๆที่เราดูโทรทัศน์นั่นแหละสมัยก่อนเขาว่ามารเนี่ยมันอยู่นอกบ้านนะแต่สมัยนี้มารมานันก็มาอยู่ในบ้านเลยในห้องนอนเลยมารนี่เป็นมารตัวใหญ่ที่จะขัดขวางการเข้าสู่ความพ้นทุกข์หรือพรนิพพานก็คือโทรทัศน์นั่นเองนะมันเข้ามาอยู่ในบ้านเลยนะเป็นมารที่น่ากลัวนะ บางทีเนี่ยยาเสพติดก็ประกาศตัวเองว่าเป็นยาเสพติดนะว่านี่คือยาบ้านะนี่คือยาไอนะนี่คือยาเสพติดเขาก็ประกาศตัวตัวเองแต่โทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นยาเสพติดเลยแต่เราก็ไปติดมันยิ่งเป็นยาเสพติดเนาะบางทีไม่ดูนิดนึงหงุดหงิดแล้วเน่มันติดแล้วนะนี่คือความติดความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะกว่านั้นนะคอมพิวเตอร์ก็มาระดมกันมาเยอะแยะนะทั้งโซเชียลมีเดียเยอะแยะอันนั้นก็ทําเรายึดติดตรงนั้นเลยนะ เนี่ยต้องสังเกตให้ไว <c oughs> เราไปยึดติดอะไรไหมถ้าไปยึดติดอะไรตัวอย่างหนึ่งสังเกตดูว่าเมื่อขาติดนั้นไปเราหงุดหงิดไหมถนะ้าหงุดหงิดแสดงเราติดแล้วนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันในตรงนั้นนะหรือแม้แต่ลมทั้งหลายเล็กๆน้อยเนี่ยเราไปยึดติดไหมนะยึดติดทุบลู ล, ปปล่อยบางทีเลยนะปล่อยเด๋อนนั้นเลยไม่ได้เป็นปล่อยเวลาอื่นล่อยเดือนนั้นเลยนะเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องมีสติให้ไวที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานะ เงันประาการแรกนี้เราก็ต้องมีสติกต่อนรู้ทันอารมณ์ต่างในใจของเรา เกิดนตั้เออความโลภความโกรธความหลงถฝืนรู้ทันไหมเมื่อรู้ทันแล้วอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะรู้ทันนี่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนที่หลงวงพ่อเทียบอกว่าอผู้ใดเห็นจิตก็ไปคิดผู้นั้นได้ต้นทางของการบัติธรรมแล้วอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งนี้ไม่ใช่น้อยน้อยแล้วนะเยอะมากเลยการเราสามารถเห็น อ, อารมณ์ต่างๆเกิดในใจเราเห็นความคิดเกิดขึ้นนี่มันได้ต้งเยอะแล้วจิกครึ่งหนึ่งก็คือรู้เฉยๆนะอย่างที่ท่านบอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่แหละ อันนี้ก็คือซึ่งสุดท้ายนะเพราะการลุยเฉยมันก็คือการที่เราปล่อยเราวางนั่นเองการไม่ให้ค่าการไม่ยึดติดนี่มันคือการลุยเฉยรลุเฉยมันก็คือการที่เราไม่ไปผักใส่เขาแล้วก็ไม่ไปยึดติดเขาด้วยนะ่ะมันจะเป็นการรู้เฉยจริงๆ ลุยเฉยนี่มันก็เป็นการตัดแต่ว่าสักแต่ว่าก็เมืกับที่พระพายยานั่นแหละเห็นก็ตัดแต่ว่าเห็นได้ยินก็สัดแต่ว่าได้ยินรูก้ ก, ก็สักว่ารู้ทราบก็สักว่าทราบเมื่อ น, นั้นท่านจะไม่มีในโลกนี้ท่านจะไม่มีในโลกหน้าท่านจะไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือี่สุดนแห่งทุกปรลาเพราะการลุยเฉยนี่มันเป็นขุดยอดของการปฏิบัติธรรมเลยนะมันเปการไม่ให้ค่าไม่ยึดติด เป็นการปล่อยกันวางในตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตอารมณ์เราได้แล้วประการต่อมาเรารู้เฉยได้ไหมในการไม่ข้องเกี่ยวไม่ข้องแวะไม่ให้ค่าไม่อ่าไม่ไปกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการที่เรียกว่าไปข้องเกี่ยวหรือไปแตะแต่งภาวะธรรมนั้นนะตรงเนี้จิตมันก็จะวางได้อย่างรวดเร็วนะอ่า น, นตรงเนี้ยมันจะวางได้ทุกๆอย่างจากการที่ว่าเรารู้ซึ้งนี่แหละ เพราะหลวงพ่อคำเพี้ยนก็บอกว่ารู้ซืกซื่อก็คือไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกับมันไม่ต้องแปลวเดียวชั่วกับมันไม่ต้องเอาถูกเอาผิดเอาผิดกับมันตรงนี้มันลูกซึ้อซื่อจริงๆนะแต่เราไปหาเหตุหาผลเอาเดียวชั่วถั่วผิดนี่มันก็ไม่รู้ไม่มันก็ไม่ใช่การรูกซื้อแล้วจิตก็จะไม่ปล่อยไม่วางพระบิดยึดติดนะติดป้ากุ้งทานต่อไปนั่นเองนะใส่ปรุงแต่งสร้างประทานหาเหตุหาผลนั่นแหละ ถึงการไปปรุงแต่งเขาต่อแล้วนะพราเมื่อเรารู้ทึกซื่อมันก็จบเดี๋นั้นเลยนะรู้ทึกซื่อเลยจบทันทีเลยนะมันไม่ได้ไปตอบพบต่อยใช่ต่อไปแล้วอเป็นการวางอุปทานนะเมื่อวางประทานได้พบใช้ก็ไม่มีแต่ยมันเป็นที่ผลทางแห่งความที่สุดแห่งทุกได้ในผลทางนี้นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นทางลัดสั้นนะที่ว่าเราสามารถที่จะรู้ทุกอย่างทื่อซื่อได้ไหมไม่ไปปรุงแต่งต่อได้ไหมนั่นแหละจิตมันก็จะปล่อยก็วางได้เร็วขึ้นนะมันเกิดการที่ว่าเราเกิดการยอมยอมรับ ในทุกภาวะที่เกิดขึ้นยอมรับในความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะยอมรับในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อมันยอมปุ๊บมันก็จะวางได้เองเนาะเพราะฉะ น, นั้นในท้ายทีสุดนี้ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระรไตรให้พวกเราจเจริญด้วยสีสติสมาธิปัญญาถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพาทุกขันเทอรม